แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ทดบต ก, กันผมเคยได้ยินบ่อยๆเรื่องคนป็นจิตใจไม่ปกติจิตใจท่้นเฟือนอันนี้ก็เหมือนว่บคนไม่รู้นั่นเองโดยมุ่งเรื่องทำสมาถานนี้ต้องการความสงบแต่คนที่สอนนั้นบางทีอาจจะไม่รู้ทาสงบเพราะความสงบนั้นเด็กๆ ก, ก็พูดได้ คนแก่ก็พูดได้พระพิสุสัมเนธพูดได้ทั้งนั้นเพราะว่ารสชาติคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือคนสงบเกิดมาร้อยวันพันปีหากว่าเราไม่ได้รับคนสงบชีวิตอันนั้นก็เป็นนั้นอันนี้ใครๆคก็พูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ช่วยจำแล้วก็นำมาสอนกันอันนี้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 บางทีอาจจะไม่รู้ของจริงก็ได้มันเลยเกิดปัญญาสนิจหนึ่งมันต้องการพูดต้องการคุยมันมัอนรู้ไปกับตำลักตำลาแต่มันไม่เคยดูจิต ด, ดูใจคนนั้นยังมีความโกรธยังมีความโลภยังมีความสงสัยแต่พูดได้อ น, นั้นเป็นเรื่องของวิษนุให้เราเข้าใจไปในถิ่นนั้นวิษณูอุปกิเลส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 ที่ไหนสกอบกแมงวันมันไปตอมเมื่อแมงวันไปตอมแ ม, ง ว, วแมงวันมันดูดขี้บ้านผมเรว่าขี้ไข่ขางที่แมงวันนั้นเนี่ยตัวจิตตัวนอนขึ้นมาเราจะเอานอนมันออกจากที่สุกอบวกนั้นมันไม่อยากออกคนนอนมันชอบสิ่งที่สุกอบวกดังนั้นคนเป็นนิพพานมืก็ตามเป็นจินตญาโก็ตามเป็นนิพพราวก็ามมันชอบอย่างนั้นจินตยาณ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 ทำให้มันหลายหลายคนได้มันคิดไป้อยอันพัญญาแต่เราวางโครงการอันนั้นมันคิดแต่เมื่อไปปฏิบัติจิตใจมันเคยคิดอย่างนั้นมันเลยตปรงขึ้นเมื่อมันปรงขึ้นม า, มมนนมาเราเลยไม่เห็นจิตไม่เห็นใจไม่เห็นต้นตอของความคิดนี่เองอันนี้แหละที่ผมนามาลรมาเรวจจิต ก, กัจิตใจของพวกเราวิธีที่แก้มันก็มีครับห วิธีที่จะแก้แลวจะทำอย่างไรเราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่กำลังเป็นให้เขาพูดให้ฟังเขาไปอย่างไรเราต้องฟังฟังคำพูดเขากรดูเมื่อเขาพูดออกมาเราก็ต้องจับได้จับคำพูดที่มันหลงผิดมันหลงผิดในขณะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นผมนี่ก็เป็นหลงต่ง ก, กับเราเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเขาเป็นพระอรหันต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 คนนันพูดผิดแล้วมันพูดเรื่องไม่ถูกจรงตับคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนั้นเรียกว่าตาทิพยหูทิพย์คือคนนั้นพูดมันไม่มีสาระมันไม่มีแกนสารมันดับทุกไม่ได้ต้องรู้ยากอันนี้เรียกว่าหูทิพไม่ใช่วาทิพแล้วไปมองไปเห็นอันนั้นไปฟังอันนี้มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจคําพูดมันเข้าใจกับตัวหนังสือ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 พวกเราต้องพยายามอย่าให้มันเห็นผิดถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปัดสนูถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียวกว่าจิมตญาตถ้าเห็นผิดไปแล้วเรี ย, ว ก, วญญวยวกว่าวิจตลาดเราต้องเข้าใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ